เอาละตอนนี้คุณลุงบุญมีทําใจสบายๆนะคะเห็นภาพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปล่าคะเห็นครับเหอยู่นะคะคท่านพ่อท่านแม่ท่านอยู่ใช่ไหมคะอยู่ครับขอบารมีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอบารมีท่านพ่อท่านแม่ได้พาคุณลุงไปนิพพานคะ่ะไปวิมานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันไปแล้วครับ ถึงแล้วใช่ไหมคะหเห็นองค์ท่านไหมคะเห็นกรับเข้าไปกราบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้ๆพระบาทอพระพุทธเจ้าเหรนี่สวยสวยไม่จืดสวยไม่จืดนะคะขึ้นนะคะเห็นตัวคุณลุงไหมคะเห็นกรับนึกให้ากายของคุณลุงมีเท่าจํานวนพระอรหรันต์เท่าจํานวนท่านพ่อท่านแม่แล้วก็กราบนมรมสการท่านทั้งหมด สําหรับวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะค่<ช><ช><ฮ>ะเกษตรหน้านี้เป็นหน้าสุดท้ายของการบันทึกเพราะฉะนั้นในเรื่องความประมาทพลาดพลั้งในพระคุณของรัชกาลทนิยายนี่อาจจะมีบ้างใช่ไหมคะใช่ครับใช่เราเดินไปเนี่ยเราไม่ทราบว่าวใต้แผ่นดินอาจจะมีพระพุทธรูปอาจจะมีพระบรมสารีริกธาตุก็ได้นะคะ<ช><า>หรือบางครั้งเราหยิบของหยิบข้าวอาจจะผ่านพระพุทธรูปจะข้ามไปเหมือนไม่เจตนาก็ก็ยังเป็นกรรมนะคะเพื่อความบริสุทธิ์ของใจ หลวงพ่อท่านแนะนําเอาไว้ให้ควรที่จะขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัยบางครั้งบางคราวเราอาจจะมาด พ, พลาดครั้งในคําพูดไปกับบุคคลซึ่งคนเนี่ยบางครั้งไม่ได้เป็นนักบวชแต่เขาเป็นพระอรเยเจ้าก็มีใช่ไหมคะใช่ครัเพราะฉะนั้นความ พ, าพลาดคลั้งประมาทในเรื่องนี้คงมีก็การขอขมาโทษต่อบุคคลเองนั้นนะ่ะไม่พ้นต้องขอขมาโทษโดยตรงต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเวลานี้คุณลุงนึกตามในใจไปเลยนะคะเพราะข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดเจริญพระพุทธเจ้าข้าหากแม้นว่าข้าพระพุทธเจ้าเคยประมาทพลาดพลั้งไปในพระคุณของพระพุทธเจ้าก็ดีพระคุณของพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์ก็ดีด้วยเจตนาหรือว่าไม่ได้เจตนาหรือทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงกันก็ดีในชาติที่เป็นอดีตก็ดีหรือว่าชาติปัจจุบันก็ดี ขอองค์สมเด็จพระจินนสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดกรุณาอดโทษให้เก่ดข้าพระพุทธเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าพระนิพพานพระพุทธเจ้าค้าแล้วก็กราบนมัสการพระพุทธองค์ใกล้ๆพระบาทเมื่อขอขมาโทษแล้วให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ไม่ได้เอาโทษอ่ะนะคะท่านตอบโทษให้แล้วนะคะทีนี้คัดเศษที่เหลือต่อไปนี้จะแนะนําในด้านของยานแปดเท่าที่ผ่านมา คุณลุงเห็นผีได้เห็นสัตว์นรกได้เห็นเทวดาได้เห็นพรหมได้เห็นพระพุทธเจ้าได้คุณลุงใช้ลูกตาหรือเปล่าเปล่าครับเพราะคุณลุงหลับตาอยู่ใช่ไหมคะเราใช้กําลังใจนะคะเมื่อใจเราเป็นทิพย์เราสามารถที่จะรู้สิ่งที่เป็นทิพย์ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกชื่อว่าทิพย์ประคุญานนะคะคุณลุงได้ตั้งแต่วันแรกใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะคะวันนี้เป็นวันที่ ที่ทห้าหรือที่หกที่ได้มานะคะวันที่เจ็วันที่เจ็ดแล้วนะค ะ, ะก็เป็นอันว่าทิปจกุยานที่เราได้นี้นำไปรู้เรื่องราวต่างๆอย่างที่ผ่านมาแล้วสามารถที่จะถอยหลังชาติของตัวเองได้ว่าคุณลุงบุญมีเนี่ยเคยเกิดเป็นพรมมาขี่ชาติ เป็นเทวดาเท่าไหร่เป็นมนุษย์เท่าไหร่เป็นสัตว์เดรัจฉานเท่าไใ่เป็นสัตว์น ร, รกเปรตอสุ ร, รกายสัตว์เด ร, รั า, านเท่าไรนั่นเป็นการถอยหลังชาติของเราเองนะค ะ, <ฮ>ะการถอยหลังชาติของเราแบบนี้ภาษาไทยเรียกว่ า, าระลึกชาตินะค ะ, <ฮ>ะแต่พระพุทธเจ้าท่านเรียกเป็นภาษ า, ษามาคตว่าปุปเพนิวาสานุสติยานนะค ะ, <ฮ>ะถอยหลังชาติเราเกิดเป็นอะไรมาบ้างมีดีบ้างมีชั่วบ้างอะไรก็ตามใจเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปจุตูปปาตยาน สำหรับอันนี้เป็นการใช้ที่ปัจจุญันไปรู้เรื่องราวของบุคคลอื่นหรือว่าสัตว์อื่นว่าก่อนที่เขาจะเกิดเนี่ยมาจากไหนแล้วก็ตายแล้วไปไหนนะคะ<ช>อันนี้ท่านเรียกว่าจุตูปปาตยานอันนี้ลองอดูสักอย่างหนึ่งเวลานี้คุณลุงเห็นภาพพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะ<ช> <ๆ S 2> เราอยู่ที่วิมานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอดูภาพ ก่อนที่ว่าก่อนที่คุณลุงจะมาเกิดเป็นคนชาตินี้คุณลุงมาจากไหนมาจากพรหมครับมาจากพรหมนะคะครับเห็นเห็นต้องพองใสดีใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะนี่ต่อไปขอดูภาพอีกทีนะคะครับตัวหนูพูดแนะนําเนี่ยค่ะก่อนที่จะมาเกิดเป็นคนชาติเนี้ยนะคะหนูมาจากไหนขอบา ร, รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดสงกรานต์ให้เห็นภาพตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าค่ะ มาจากพรหมเหมือนกันมาจากพรมเหมือนกันนะคะคะท่านแม่อยู่แถวนั้นไหมคะอยู่อยู่นะคะพรหมชั้นที่เท่าไหร่คะถามท่านชั้นสี่สิบหกค่ะไม่ใช่อ่ะค่ะหนึ่งถึงสิบเอ็ดนี่ยค่ะสีิบหกอยู่ไม่ได้สิบสองสิบกอยู่ไม่ได้ถามท่านแม่ขอท่านยกนิ้วก็ได้คะ่ะยกกี่นิ้วคะอ๋อยกกี่นิ้วเดี๋ยวนับก่อนรับก่อน เจดนิ้วเ็นิ้วอค ะ, ะอันนี้คุณดุง ด, ดูรูปล่างอธิษฐานากายของหนูก่อนที่จะมาเป็นคนชาตินี้ว่ามาจากลมเพราะเราจําได้ใช่ไหมค ะ, <ฮ>ะว่าลมลักษณะเป็นยังไงเทวดาลักษณะเป็นยังไงใช่ไหมคะใช่เอาละอันนี้เป็นจุตูปปาตยานถ้าคุณลุงจะไม่ดูหนูจะดูผู้สัตว์อย่างอื่นก็ได้นะคะว่าก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหนแล้วก็ขอเห็นอธิษฐานากายนะคะ หรื อ, อว่าตายแล้วไปไหนนะคะถ้าคุณลุงรู้จักใครสักคนหนึ่งเขาตายไปแล้วขอดูภาพเวลานี้คนใกล้ๆคุณลุงอะ่ะที่รู้จักว่าเขาตายไปยมีไหมคะมีครับ มีนะคะผู้หญิงกับผู้ชายคะผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะคะจําหน้าได้ใช่ไหมคะได้ครับขอบารมีอันนี้เราไม่ควรไปเอาชื่อเขาแล้วกันนะคะเข้าใจว่าเป็นใครก็แล้วกันนะคะขอบารมีพระพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วยให้เห็นภาพว่าบุคคลผู้หญิงคนนี้คนที่คุณรู้จักนึกถึงคนนั้นเวลานี้ตายไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนขอภาพอธิษฐานกายจงปรากฏตามความเป็นจริงระเจ้าค่ะอยู่สวรรค์ครับอยู่สวรรค์นะคะชั้นไหนคะ ถามท่านแม่ค่ะอยากรู้อะไรถามท่านท่านจาตูจ่าดูมหาราชเลยคะ่ะเห็นภาพแล้วใช่ไหมค ะ, ะอันนี้เรารู้ว่าเขาไปสวรรค์เอาล่ะใช้ได้นะค ะ, ะจุตูปปาตยานหรือว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงมันตายแล้วมันจะอยู่ไปไปไหนเราสามารถที่จะรู้ได้นะค ะ, ะถ้าทําจนคล่องคลได้ยินชื่อคนปั๊บนี่คุณลุงสามารถที่จะทราบได้เลยว่าเขาตายแล้วไปไหนอันนี้ท่านเรียกว่าจุตูปปาตยานนะค ะ, ะอันที่สี่ นะคะเป็นเจโตปริยญาณอาศัยที่เพื่อจักรญานที่เราได้นี้ไปรู้ใจของคนอื่นคําว่าใจหรือว่าจิตก็คืออธิสมานากายใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะคะอย่างเวลานี้คุณลุงเห็นอธิสมานากายของคุณลุงเองใช่ไหมคะค่ะหรือเราจะเห็นอธิสมานากายของบุคคลอื่นเวลานี้คุณลุงเห็นหนูหรือเปล่าคะ แห็นกับอยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นครูผู้แนะนําเนี่ยถ้าแนะนําบุคคลคนใดก็จะไปกับท่านด้วยนะคะครลานี้หนูแต่งตัวเหมือนเดิมหรือเปล่าคะไม่ครไม่เหมือนแต่งตัวแบบไหนครัแบบเทวดาแบบเทวดานะคะอันนี้ก็เป็นไม่มีเพศไปแล้วนะคะอ่าแล้วเห็นคนที่ไปด้วยไหมคะอีกสองคนเห็นคับคุณรัชนีกับคุณเปี๊ยกอ่ะเขาแต่งตัวไงครัเทวดาเหมือนกันเทวดาเหมือนกันเนี้ยเห็นไหมคะสห็คุณเปี๊ยกแต่งตัวตัวเล็กกับตัวโตกว่าคนอื่นเขา เท่าเท่ากันถ้าเท่ากันเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นร่างกายในมนุษย์ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ย ว, ยวอธิษมานากายนี่ก็เป็นไปตามลักษณะนั้นแต่งตัวเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันค่ะเป็นไงขาวสวยไหมสวยสวยนะคะ อ, อันนี้เขาตามเราไปด้วยนะคะเพื่อช่วยกันใช่ไหมคะคุณ<อ>ลุอคุณลุงเห็นอธิษมานากายของคนอื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเจโตปรยยิยญาณ แต่ว่าอธิสมานากายซึ่งซ้อนอยู่ในกายเนื้อมีสภาพไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะคะเพราบารมีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ทรงโปรดสงเคราะห์เนรมิตภาพอธิสมานากายของบุคคลให้ข่าพระพุทธเจ้าได้เห็นตามความเป็นจริงว่าถ้าข่าพระพุทธเจ้ามองบุคคลใดบุคคลนั้นถ้าเขาตายเดี๋ยวนั้นนะคะเขาจะไปเป็นเทวดาอธิสมานากายเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงขอดูภาพตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าคะ่ะ รูปร่างเป็นยังไงคะค่ะรูปร่างก็เป็นเทวดาก็เหมือนเทวดาใช่ไหมคะเพราะเรามองคนปับ๊บ ต, ตากระทบกายเนื้อนะค ะ, ะใจไปดูที่สมานกายภายในเอ๊ะรูปร่างเหมือนเทวดาแสดงว่าถ้าเขาตายเดี๋ยวนั้นเขาไปเป็นเทวดาแน่ใช่ะ ค, ะค่ะ แต่ถ้าว่าถ้าเวลาต่อมานี่อารมณ์เขาอาจจะเปลี่ยนความประพฤติเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมคะใช่เขาอาจจะทําชั่วขึ้นจนถึงขนาดไปนรกก็ได้หรือเขาอาจจะทําความดีเสริมต่อขึ้นมาอาจจะไปพรมปณิพนัลก็ได้ใช่ไหมคะใช่เราดูในขณะนั้นนี<ช>้ขอดูตัวอย่างอีกทีเขาองค์สมเด็จพระชินนสีได้ทรงโปรดว่าถ้าข้าพระพุทธเจ้ามองคนตากระทบกายเนื้อถ้าบุคคลคนนั้นเขาตายเดี๋ยวนั้นเขาจะไปนรก อธิษมานกายเขาจะมีรูปร่างเป็นยังไงขอองค์สมเด็จพระจอมตจช่วยเห็นภาพตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าค่ะรูปร่างเป็นไงคะอืถ้าจะไปนรกรูปร่างเป็นยัไงเป็นมนุษย์ห้ารูปร่างไปเป็นมนุษย์อ่แต่รูปร่างเหมือนคนอะแต่สภาพเป็นยังไงอ๋อสภาพเป็นแปดอะเนี่ยจะไปนรกอ่ะค่ะกัสโทมั้ยสุตโตมมาก สุดโตมเจ้าดำอ่าได้เจ้าดำอันนี้ก็เป็นรูปร่างของสัตว์นรกสิใช่ไหมคะครับใช่นะคะถ้าเปรย์แลมันก็ค่อยยิ่งช่วขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับดำสุดโสมผอมเจ้าหมองนะคะคถ้าเรามองคนปั๊บตากระทบกายเนื้อใจไปเห็นรูปอภิสมนานกายเขารูปร่างแบบนี้มันก็เหมือนคนนะแต่ว่าสภาพมันสุดโสมนะคะคก็เหมือนสัตว์นรกเรารู้จักมาแล้วใช่ไหมคะ ศาสตนาลกเป็นยังไงเปรตเป็นยังไงอสุรกายศัตร์ด ร, ริยฉานเป็นยังไงใช่ไหมคะคคเพราะฉะนั้นเจโตปริยญาณยาอย่างนี้พอเรามองปั๊บเรารู้ที่ไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับว่าบุคคลคนนี้ตายแล้วจะไปไหนนะคะคนี่เป็นประเภทหนึ่งล่ะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อีกประเภทหนึ่งคะ่ะเจโตปริยญาณที่ท่านสอนเอาไว้นีนเพื่อรู้อารมณ์รูู้สีของเป็นดูการดูสีอนะคะรู้อารมณ์ของจิต ขอบา ร, รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนรามิตรอธิสมานากายของคนเนี่ยเป็นดวงกลมๆค่ะเวลานี้ขอองค์สมเด็จพระจินสีท่านได้ทรงโปรดทรงเคราะห์เนรามิตอธิสมานากายของข้าพระพุทธเจ้าเป็นดวงกลมๆ ม, มีภาพเกิดขึ้นอะไรอย่างคะครับเป็นดวงกลมๆนะคะคทําใจให้สบายๆขอองค์สมเด็จพระจอมไตรได้ช่วยใหข้าพระพุทธเจ้าเห็นภาพว่า สมัยที่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดานะคะมีอารมณ์หนาแน่นไปด้วยกิเลสยามที่ข้าพระพุทธเจ้ามีความทุกข์มีความรุ่มใจกําลังใจของข้าพระพุทธเจ้าจะมีสีอะไรขอเห็นภาพตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้า่ังสีสศร้ากับ สีเศร้าดำหรอคะอสีเศร้ามองคือสีดํานะคะถ้ากลุ่มมากทุกมากก็สีดํามากนะคะกลุ่มน้อยก็เป็นสีเทาๆใช่ไหยคะใช่ครับเจ็ด ก, กาลังใจคือทึบละก็จําไว้ว่าถ้าปุตตุชนคนธรรมดาทึบกําลังกลุ้มก็ดํานะคะคต่อไปสมัยที่ข่าพระเจ้าจเป็นปุตตุชนคนธรรมดานี่แหละเจ้าค่ะแต่ถ้าว่ากําลังดีใจดีใจเพราะได้ของดีใจเพราะถูกลอตเตอรี่ ดีใจเพราะพวกเครื่องอามิสต่างๆเนี่ยกําลังใจจะมีสีอะไรพระพุทธเจ้าค่ะสีขาวครับสีขาวกําลังดีใจนะคะครับสีขาวนั่นมาอารมณ์เฉยๆดีใจเพราะถูกรัตตรี่ใครก็เอาของขวัญของกำนันอะไรมาให้ดีอกดีใจอ๋อสีอะไรคะสีเหลืองเหลืองเหลืองเหลืองหรือแดงแดงสีเหลืองหน่อยเหลืองหน่อยนะคะครับถ้าดีใจมากๆขนาดถูกรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งะเจ้าค่ะจะมีสีอะไร โอ้นี่สีแดงครับอ่าสีแดงครับเลยใช้ได้ะคะ่ะแดงเลือดนกเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นถ้ากําลังดีใจแล้วก็สีแดงนะคะแดงมากแดงน้อยก็ดูที่การดีใจทีนี้ถ้าสมัยที่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นปุชชนคนธรรมดาที่มีอารมณ์หนาแน่นไปด้วยกิเลสนี่แหละแต่ถ้าว่ามีอารมณ์เฉยเฉยไม่ได้กลุ่มแล้วก็ไม่ได้ดีใจอะไรซึ่งก็มีใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นกําลังใจจะมีสีอะไรพระเจ้าค่ะ สีมัววนอยมัว่อค่อนข้างขาวไหมขาวขาวทึบๆนะคะปุะปุชนคนธรรมดากำลังใจจะทึบนะคะต่อไปถ้าข้าพระพุทธเจ้าเริ่มมีศีลบริสุทธิ์พระเจ้าค่ะกำลังใจจะมีลักษณะเป็นยังไงคะขาวคับขาวนะค่ะสีขาวทึบๆอยู่แต่ถ้าว่าดูรอบนอกสิคะรอบๆมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างไหมสีมัวมัวเพิ่มก้างค่ะรอบอ่ะ เคลือบอยู่อะเคลือบอยู่กองการแล้ว อ, อยู่ข้างนอกข้างนอกอะค่ะข้างนอกมีประกายอ่าเหมือนเหมืๆใสๆไหมครับมันไม่ใช่ประกายแต่ว่าเป็นเป็นใสๆเคลือบๆนะครับครับสะวามหน่อยใช่ไหมคะคใช่ครับอันนี้เรียกว่ามันเป็นแก้วแหละนะคะ<อ>เป็นแก้วเคลือบๆใช่ครับมีศีลบริสุทธิ์นะคะครั บ, รบต่อไปถ้าข้าพระพุทธเจ้ามีสมาธิเริ่มเจริญสมาธินะคะถึงอุปจารสมาธิพระเจ้าค่ะกําลังใจจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ เม่ประกายไม่ใช่ประกายความเป็นแก้วความเป็นแก้วจะมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นมากขึ้นหน่อยนะคะก็ไม่มากนักนะคะต่อไปถ้าจิตของข้าพระพุทธเจ้าถึงปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งเจ้าค่ะก็มากขึ้นอีกหน่อยส่วนที่เป็นแก้วมากขึ้นหน่อยนะคะต่อไปถ้าเข้าถึงฌานที่สองเจ้าค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยถึงครึ่งเนี่ยค่ะครึ่งได้ยังค่ะยังจัอย่างเดียว ก็เข้ามาแล้วล่ะนะคะครับใกล้นะคะต่อไปถ้าถึงชานที่สามนะค่ะโอ้เรื่องขึ้นมาพรวดแต่ตรวจแล้วนะเลยครึ่งแล้วนะคเลยครึ่งแล้วนะคะต่อไปถ้าข้าพระพุทธเจ้าเข้าถึงชานที่สี่เพื่อจะค่ะอืมทีนี้ทีนี้เต็มดวงอ่าเต็มดวงแล้เป็นแก้วหมดดวงเลยครับใสไหม สกัสายสะอาดนะคะคเป็นแก้วสสะอาดซึ่งไม่มีประกายเนี่ยเป็นอารมณ์ฌานสี่แต่ว่ายังเป็นฌานโลกีนะคะคนี่เราก็ดูถ้าเราเห็นใจของใครลักษณะอย่างนี้เราก็บอกได้ใช่ไหมคะใช่ครับต่อไปทำใจส บ, บายๆขอองค์สมเด็จพระจอมไตรขอท่านพ่อท่านแม่ท่านได้ดโปรดสงเคราะห์ให้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นภาพตามความเป็นจริงว่าถ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบัน กำลังใจของข้าพระพุทธเจ้านั้นจะมีลักษณะอย่างไงเขอเห็นภาพพระเจ้าค่ะโอ้สมากกับสายมากแล้วมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษมีไหมคะมีประกายสีต่างๆมีประกายออกแล้วไม่ไม่ใช่สีต่างๆมีประกายใสล่ะออกมานะคะคอ่าอออกมากไหมพระโสดาบันออกมากสักหนึ่งในสี่ได้ไหมได้ครับได้นะคะตรงกลางยังใสอยู่นะอ่า ประกายออกหนึ่งในสี่เสยดาบันนะคะคต่อไปถ้าข่าพระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นพระสกิทาคามีพระเจ้าผาเขาเพิ่มมาอีกหน่อยค่ะส่วนที่เพิ่มคืออะไรคะประกายแก้วป ร, ระกายแก้วเข้ามาครึ่งละนะคะคคต่อไปถ้าข่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามีพระพุทธเจ้าผากําลังใจจะมีลักษณะเป็นยังไง มีเต็มเลยครับเี็นี้เต็มเต็มเหรอตรงกลางจะมีแกนตั้งหน่อยไหมมีครับมีแกนอยู่หน่อยนะคะครับยังไม่เต็มที่ใช่ไหมคะครับต่อไปขอองค์สมเด็จพระชินสีช่วยเห็นภาพตามความเป็นจริงว่าถ้าข้าพระพุทธเจ้าปฏดกิเลสเป็นสมุเทเฉตตาปานมีกําลังใจเข้าถึงความเป็นพระอหรหันต์กําลังใจข้าพระพุทธเจ้านั้นจะมีลักษณะเป็นยังไงพระเจ้าข้ามีใสแต่ยังไม่เต็มดวงเป็นพระอหรหันต์นะคะ ขอดูภาพตอนเป็นพระอาหารหันต์อ๋อเป็นไงคะสายขัดสายขัดสายเต็มที่แกนหมดได้ยังคะหมดแล้ว ค, ครับแล้วประกายเป็นไงคะประกายวับเลยเต็มดวงไหมคะเต็มครับเต็มดวงน ะ, ะเห ม, ม, นะมือนดาวประกายพึกงไหมคะครับเหมือนครับดาวนะนี่เป็นกําลังใจของพระอาหารหันต์อันนี้เราดูแต่ละอย่างละอย่างไปเนี่ยเจโตปริยญาณแต่หลวงพ่อท่านสอนว่า ให้เราดูใจของเราเองเป็นประจำเช้าขึ้นดูท่านยังใสไม่ถึงขนาดนี้นะคะให้ตัดสินใจให้ถึงเวลานี้คุณลุงกราบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าข่าพระพุทธเจ้าอยู่ในร่างกายกําลังใจของข่าพระพุทธเจ้าจะมีลักษณะอย่างไรขอดูภาพตามความเป็นจริงพระเจ้าค่ะเป็นไงคะตอนอยู่ในร่างกาย ก็ขาวขาวนะคะมีประกายแล้อยังคะมีหน่อยหน่อยมีหน่อยหน่อยอ่าประกายนี่แหล ะ, ะแสดงถึงความเป็นพระอาเลียเจ้าท่าลมจักพันิพาณ น, นะคะคุณลุงตัดสินใจให้ดีนะคะเพราะชาตินี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายยอมตายนะคะขอไปพันิพาณขึ้นเทวการเกิดไม่เอาแล้วเป็นพรหมก็ไม่เอาเป็นเทวดาก็ไม่เอาเป็นคนก็ไม่เอาเพราะว่าต้องไปเวียนสุขเวียนทุกข์อีกใช่ไหมคะอะขอมาพันิพาณชาตินี้ กังใหญ่จะเป็นไงดูที่ครับใสเลยครับอแล้วประกายเป็นไงคะับปะกายแสงวับเลยหมดดวงเหรออย่างค่ะหมดหมดดวงแล้วนะคะครับเวลานี้สังเกตใจคุณลุงเป็นไงแค่รู้สึกเป็นไงสบายสบายนะห่วงอะไรไหมไม่ไม่ห่วงอะไรเลยใช่ไหมไม่ห่วงตัวกระทั่งตัวผมเองผมก็ไม่ห่วงไม่ห่วงใช่ไหมคะครับอารมณ์อย่างนี้แหละค่ะที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการ เช้าขึ้นหลวงพ่อท่านแนะนำว่าให้เราดูใจของเราเองถ้ามันสว่างยังไม่ถึงขนาดนี้ให้ตัดสินใจอย่างนี้นะคะคและให้มันสว่างเท่านี้ได้สักหนึ่งนาทีสองนาทีก็ยังดีจิตเราก็จะสะอาดใช่ไหมคะใช่ครับนี่เราก็เวลาพยายามปกติเนี่ยคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วอาจจะรู้ได้ว่าข้างในใจเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะใช่ครับแต่อย่าพูดไปพราะพูดไ ป, ปเดี๋ยว ไปเห็นใจก็มืดมัวสลัวเศร้าเขาจะเตะปากเราเข้าใช่ไหมใช่ครับเราดูแค่ของเราก็พอแล้วใช่ไหมคะแต่การดูคนอื่นนั้นเป็นการซ้อมอารมณ์ที่ประจักญยานนะคะเอารากราบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แนะนํามานีเป็นเจโตปริยานค่ะต่อไปอันที่ห้ายันที่ห้าคืออตีตังสยานอตีตังสยานนั้นเป็นการรู้เรื่องราวในอดีต จะเป็นของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรานะคะหรือว่าสถานที่นะในประวัติศาสตร์ในอดีตทั้งหลายเนี่ยเหตุการณ์เป็นยังไงเนี่ยขอดูภาพได้เลยนะคะเป็นเหตุการณ์ในอดีตอันนี้ยกตัวอย่างในสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงพระชนชีพอยู่นะคะในวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เหตุการณ์ในวันนั้นมีลักษณะเป็นยังไงขอพระองค์ช่วยเห็นภาพตามความเป็นจริงพระเจ้าค่ะ เศร้าครับเศร้าครับใครเศร้าคะพระพุทธเจ้าตรัสะรู้ค่ะโตกแล้วพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนที่แท่นครับมีแท่นนะค ะ, ะแท่นตั้งอยู่ที่ไหนคะวันที่พระองค์ตรัสะรู้ค่ะพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนคะพ ร, ระองค์ตรัสจรู้พระองค์โยเที่ต้นโพหรือที่ต้นโพ นั่งอยู่ใช่ไหมคะนั่งอยู่นั่งอยู่นะคะมีอะไรรองข้างล่างนะมีท่นมีแทน่แทนนะที่แท่นนั้นคือก้อนหินนะคะเียบเรียบและมีหญ้าคาตุมใช่ไหมคะใช่ครับพระองค์ประทับนั่งใต้ต้นโพแม่น้ำในรันชลาอยู่ทางด้านไหนของพระองค์ด้านขวาขวามือถูกต้องแล้วทางด้านทิศใต้นะคะและท่ะานก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะใช่ครับแถวนั้นเป็นป่าแล้วว่าเป็นบ้านคน เป็นป่าปป่ามีต้นไม้ใหญ่เป็นระยะระยะนะคะคเออตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะ่มีพรมมีเทวดามาบ้างหรือเปล่าคะมีครับมาเยอะไหมคะมาเยอะมาคอยรับมาคอยรับคอยโมทนานะคะนี่เหตุการณ์ในวันนั้นนี่เราขอดูภาพได้หรือคุณลุงจะดูเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยสมัยเชียงแสนในยุทธยาอะไรก็ได้นีอัตตีต่างสยา น, นะคะ หรือเหตุการณ์ของสถานที่เช่นสถานที่คือวัดท่าซุงเนี่ยแต่เดิมในสมัยยุธยาเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าสมัยสุขโขทัยเป็นยังไงขอดูภาพได้เลยนี่อตีตังสยานนะคะต่อไปปัจจุบปนังสยานเหตุการณ์ปัจจุบันขณะนี้ใครเขากําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนคุณลุงลองดูสิคะวันนี้ขอบรมีพระพุทธเจ้าเวลานี้ที่บ้านคุณลุงเขากําลังทําอะไรกันดูภาพสิคะที่บ้านผมเองว่าจะทําอะไรเมแต่ พวกคนงานเขาก็ทำถนนกันออที่หน้าบ้านคนงานกำลังทำถนนที่หน้าบ้านถ่ามองเห็นภาพใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปดูที่เมื่อวานตอน ใกล้ใกล้เที่ยงกำลังทาถนนกันอยู่หรือเปล่านะ น, นี้ดูภาพปัจจุบันนะคะหรือขณะ น, นี้รอบประเทศไทยจะมีใครเข้ามาล้อมอยู่หรือไม่เหตุการณ์ในประเทศเป็นยังไงอันนี้เรารู้ได้เลยนะคะปัจ<ะ>จุปนนังสยามแล้วคุณุงจะไปประเทศไหนไปดาวดวงไหนไปได้ทันทีนะค ะ, ะต่อไปอนาคตังสยามเหตุการณ์อนาคตมันยังมาไม่ถึงนะค ะ, ะแต่เราสามารถที่จะดูภาพได้ด้วยอาศัยบา ร, รมีพระพุทธเจ้าอาศัยทิฏฐจกุญาณที่เราได้ อนาคตของสถานที่อนาคตของประเทศชาติหรือว่าแม้กระทั่งตัวเราเองหรือว่าบุคคลจะประกอบอาชีพอะไรลงทุนอันนี้มันจะขาดทุนหรือมันจะได้กำไรขอดูภาพได้เลยนะคะเ<ะ>นื่องเวลานี้ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเราตายแน่ใช่ไหมคะ<า>ขอบารมีพระพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่ช่วยเห็นภาพ่าคุณลุงจะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ขอดูภาพสิคะเป็นโรคอะไรตาย เห็นภาพไปยังคะเห็นภาพคุณลุงนั่งตายหรือนอนตายนอนนอนตายเป็นโรคอะไรคะโรคชลาเป็นโรคฉลาทรมานไหมคะไม่ทรมานไม่ทรมานสถานที่สถานที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลคุณลุงอยู่ในสภาพของคาราวาแต่ว่าเป็นพระค่ะเฮ้อย่าพูดเลยมั้งไม่ใช่ภาพที่เห็นนะคะดูภาพที่เห็นค่ะภาพที่เห็นเป็นพระเป็นะนะคะเป็นโรคชลาอายุสักเท่าไหร่คะ โอ้เก้าสิบกว่านะเก้าสิบกว่านะคะตอนนี้คุณลุงบุญมีอายุเท่าไหร่คะตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบนะคะเก้าสิบกว่าก็มีชีวิตอยู่ตั้งยี่สิบกว่าปีนะคะครับขอดูภาพตอนตายสิคะมีใครมารับไหมมีครับใครมาคะมีเทวดาเทวดา ใ, ใกล้ๆคุณลุงที่สุดคือใครคะอยู่ใกล้ๆตัวคุณลุงที่สุดอ๋อ oh. ท่า น, นสมเด็จพ่อครับสมเด็จพ่อเหรอคะสมเด็จพ่อครั บ, พ ร, บพระพุทธเจ้าเสด็จนะค ะ, สะเสด็จครับมาอยู่อยู่บนเสียสาผมครับท่านแม่ก็มามาหลวงพ่อก็มานะคะคแล้วคุณลุงดูที่ตอนที่จิตออกจากล่างคุณลุงตัดสินใจยังไงคะตัดสินใจปนานิพันธ์ครับปนานิพันธ์ตอ น, น, นที่สมานกายออกจากล่างตามใครไปเลย ตามพระพุทธเจ้าค่ะตามเจ้าไปที่นิพพานเลยนะคะดีใจไหมคะดีใจครับตัวปริญากำลังใจอย่างนี้ไปพันิพาณได้แน่อันสุดท้ายคือยถากรรมุตายานนะคะกฎของกรรมที่ทําให้เราได้รับผลเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ คุณลุงมีเมื่อเราฝึกมาแล้วใช่ไหมคะว่าเราทําความดียังไงจึงเป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นยถากรรมุตายานหรือว่าเราทําความชั่วยังไงจึงต้องไปตกนรกก็เป็นกฎของกรรมที่ทําให้ไปได้รับผลเป็นทุกข์ก็เป็นยถากรรมุตายานเหมือนกันมาชาตินี้นะคะคุณลุงเกิดเป็นคนในชีวิตเคยป่วยไข้ไม่สบายไหมคะเป็นเล็กๆแน่นอนเป็นเล็กๆน้อยๆขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยเห็นภาพ ว่าเป็นกฎของกรรมเรื่องอะไรที่ทำให้ป่วยไข้ไม่สบายขอให้เห็นภาพตามความเป็นจริงยกค่ะกด ข, <ม>ของกรรมเรื่องอะไรคะก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกันทำอะไรคะคือ ท, ทาเรียกว่ า, ป า, าปานาธิบาตปานาธิบาตนะค ะ, คะสารมานสัตย์ขาศัตร์อันนั้นมันไปนรกมาแล้วแต่ว่าเศษของกรรมทำให้ป่วยไข้ไม่สบายนะค ะ, คะแต่คุณลุงก็มีโอกาสไีมคะ คือมีโอกาสเข้ามาฝึกมนโนยิธิได้มีโอกาสให้ทานรักษาสีนเจริญภาวนานั่นคือได้เกิดในพระพุทธศาสนานะคะ ค, คุณลุงฝึกมนโนยิธิได้คุณลุงมีความต้องการพนันธิพันธ์เป็นอารมณ์อันนี้เป็นผลของความดีใช่ไหมคะใช่ครับขอบา ร, รมีสําเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยเห็นภาพว่าเพราะคุณลุงทําความดีอะไรเจ้าคะจึงคุณลุงถึงได้เข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาถึงขนาดนี้ทําทานปฏิบัติสินภาวนาอ่า แล้วตอนที่ขณะที่ทำความดีเนี่ยคุณลุงอธิษฐานอะไรไว้บ้างหรือเปล่าคะอธิษฐานครับอธิษฐานว่าไงคะผม อ, ะอธิษฐานว่าผมเกิดมาในชาตินี้นะฮะผมจะไม่ต่อไปผมจะไม่ขอเกิดอีกแล้วในโลกมโนโลกทำบุญคราวนี้ต้องการพระนิพพานต้องการพระนิพพานแห่งเดียว เอาละอันนี้ก็เป็นเป็นอธิษฐานบารมีนะคะเมื่อเราต้องการอย่างนี้เราก็ทําให้เราไปพันิผ่านได้ทําบุญทุกครั้งก็อธิษฐานว่าการทําความดีคราวนี้ต้องการอย่างเดียวพันธิผ่านนะคะทีนี้ในชีวิตคุณลุงที่ผ่านมาเคยมีคนด่าว่าไหมั้ะทั้งๆที่เราไม่ได้ทําอะไรให้โอ้โหมีครับมีนะคะบางทีเราไม่ทำอะไรเขาแต่เข้ามาด่ามาว่าเรานะคะนั่นเป็นเพราะกฎของกรรมเรื่องอะไรคะขอดูภาพเลย กรรมเก่าเราเคยไปด่าไปว่าเขามาก่อนนะเปล่าคะก็มีมีนะคะมีเขาก็ามาด่าเราบ้างนะคะอันนี้เป็นยะถากรรมมุตายานสรุปแล้วเราผ่านมาทั้งหมดอันที่หนึ่งทิฏฐิกุญาณที่สองปุกเพนิวาสานุสติญาณลึกชาตินะคะจุตูปปาปยานที่สามเจโตปริ ย, ยานก็อันที่สี่รู้ใจคนอตติตังสรรยานผ่านมาแล้วนะคะเหตุการณ์ ปัจจุปนังสยานนะคะยะถาอนณาคตังสยานแล้วก็ยถากรรมูตายานทั้งหมดครบแปดอย่างนี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้านะคะแต่หลวงพ่อท่านก็นํามาสอนเราอหลวงพ่อท่านแนะนําว่าพระท่านบอกว่าเมื่อรู้ได้อย่างนี้แล้ว อย่าไปเป็นหมอดูนะคะเพราะการเป็นหมอดูนั้นเป็นการเอาความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นขี้ข่าชาบ้านเขานะคะ<อ>ท่านสอนเอาไว้เพื่อให้ตัดกีเลสเท่านั้นผมไม่ชอบขาดใ น, น <ะ S 1> สายผมไม่ชอบเลยเอาลานีเราก็รู้ยานแปดอย่างเสร็จไปแล้วเข้าไปกราบสมเด็จพระปฐมที่แก้วพร้อมกับระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณว่านับเป็นแต่บัตรนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ยอละเมื่อศีลเป็นเด็ดขาดและเมื่อตายเมื่อไรขอมาพระนิพพานทันทีพระเจ้าค่ะ แล้วก็กราบนมัดการพระอาหารหันต์ทั้งหมดกราบท่านพ่อท่านแม่หลวงพ่อยังอยู่ใช่ไหมคะอยูครับกราบท่านแม่เสร็จแล้วก็ไปวิมานของคุณลุงนะคะคถึงวิมานนะอย่างคะถึงแล้วครับเป็นไงสบายใจนะคะสบายสถานที่นี้ฉันตายเมื่อไหร่ฉันมา ท, าทันทีเข้าไปในวิมานคะ่ะค่บ เห็นพระพุทธเจ้าไหมคะเห็นครับกล่าวธรรมมาสการพระพุทธองค์ท่านพ่อท่านแม่อยู่ด้วยไหมคะอยู่ครับอยู่ด้วยนะคะกล่าบท่านคุณลุงนั่งแท่นได้ไหมคะได้ครับนอนแท่นสบายใช่ไหมคะใช่ครับใี้วิมานเรานะคะเอาละก ล, าล่าวละธนมัาสการลาท่านทุกคนแล้วลงมากล่าวท่านปู่ท่านย่าคะ่ะ อันนี้ก็เป็นอันวัดจบเทพในเรื่องของการท่องเที่ยวตามพบต่างๆนะคะฝึกกระลึกชาติต้อมกับฝึกยานแปดไปด้วยคุณลุงบุญมีนามสกุลบุญนิยมใช่ไหมคะใช่ครับอยู่อำเภอบ้านโป่งสระบุรีเออเอลาดบุรีจังหวัดลาดบุรีค่ะพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วนะคะเราแค่นี้พอแล้วค่ะกลับตรงมาได้ค่ะ